สามนิสขิยกันแม่เจ้าทั้งหลายทมคือนิสขิยปาจิตีสา30ิสิกขาบทเหล่านี้มาสู่วาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. ปัตตวัคหมวดว่าด้วยบาทศิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการสะสมบาทเรื่องภิกษุณีฉพะคี733 สมัยนั้นพระผู้มีพระ ภ, ระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกชชนิฉ ป, ปคีทำการสะสมบาดไว้เป็นอันมากพวกชาวบ้านเดินเที่ยวตามวิหารเห็นเข้าจึงตำหนิประนามพนธนาว่าฉนัพวกภิกชชนิฉ ป, ปคีจึงทำการสะสมบาดไวเป็นอันมาก จะขายบาทหรือตั้งร้านขายภาชนะดินเผาหรือภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่าะนั้นพวกภิกษุณีฉะพบขีจึงทำการสะสมบาทเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นาเรื่องนี้